สดีวัวน้าที่ว่าไม่ได้แต่งมาคืพวกที่ไปกินมาเขาก็จัดรืงมานั่ใช่บางคนประเภทสิงี่อร็นะประเภทซิงเกอแล้วก็ว่าทำจะได้แต่งเนื้อมาวันนี้มีแต่ลอยลอยลอยมา พูดมีจะยกยอพ่เรียพูดตรงไหนตงไหนมันจะยกยอพ่เรียนี่แสดงให้เห็นชัดเจนมากพูดที่แต่งมานี่คือคำพ่เรียมันบอกในตัวนังสถ้าเป็นของท่านผู้สิ้นพเียดตอพูดจบใจยกมานี่มันจะมีหนักมนีน้นมีตุกทั้งันทั้ันทขันไม่มองดูหน้าเรนาจะฟัดของีลงไปนี่มงี่นะ ตีกี่นี่นะแล้วเออออกไปตามกี่เราดูเนี่ยเขาก็ให้ประยกน์แต่ก่อนดูไม่ได้คิดอะไรมากนะด<ช>ูธรรมดามั น, น, นออก็เนื้อทำก็เลยลอยไปธรรมราธรรมรารอยไดานี่เลละออกก่อนจี้บาทนี่ เลมันตรีนี่แต่ว่าตีพระกายเดียวแต่ก็จะผิดอะไรมันตีแต่ที่หัวใจไงมันเจ้าอยู่นั่นจะว่าไงเวลากิเลสพังลงไปแล้วมันไม่มีอะไรผิดมีแต่กิเลสอย่างเดียวผิดตอนนั้นไม่มีผิดถึงมันทํำไมที่นี่มันจะไม่เห็นไม่รู้อย่างวุฒิเจ้าท่านรู้ท่านเอาความรู้มาจากไหนความรู้ที่เสี่ยงกิเลสนั่นแล้วกิเลสปวดลงหมดแล้วมันไม่เห็นเหล่านี้ มองเห็นแล้วถ้าหลับตามันจะเห็นหรือไม่เห็นนะเนี่ยอะไรปิดตาเนี่ไม่เห็นนะนพอเปิดตาปั้มหนี่กระโจนนั่น เ, นเหล็กจริตมันปิดได้อย่างนั้นนะแล้วมันเปิดทั้งนี้มันจ้านอกจากจะนํามาพูดหรือไม่พูดหนักเบามากน้อยเท่านั้นเองรู้นีร่รู้ชัดเจ็มมากไม่มีใครเกินทั้นผู้สิ่งจริตดูรู้สภาสภาว่าทําทั้งหลายเลย ร, าา ร, ร, ร, รู้จริงจีรู้สภาพผสมนั่หลานรู้ชัดรู้แจ้งรู้เจ็ดรู้จริงรู้ไม่สงสัยเนี่มันต่างกันนี่นะรู้ด้ยวยความจริงกับรู้ด้ยวยความจํามันต่างกันนะนี่เระเราตัวหนูนี่มันเป็นนะอือให้จผมเท่สอนโลกแบบที่ที่ความรู้กันเห็นมานี้โลกแตกว่างั่นเลยนะก็มันเห็นทุกกี่ทุกอย่างเลยยากรลนอะไรอะไรมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเห็นไปหมด ว, ว่าง อยากโดน เ, เรื่องก่เลสนั่ะ จ, จะเป็นเรื่องอะไรอยากโดนแล้วฟาดกิเลสลงมานี่ยนั่นแหละโลกฟังไม่ได้กิเลสมันเป็นได้แต่เวลาเราพูดออกเรื่องมันลงมานี่พูดไม่ได้ท่า น, นมันต่างกันในนี้นะบางท่านใ่ไหนจร่งมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาตีตลาดทะเลแล้วถ้าเสังเกตนะผมแน่ธรรมะไม่ออกน้ำพูผู้ที่ควรท่านจะออกได้ท่านก็ดูโลกอีโลกสมควรจะรับได้หรือไม่แน่ นั่ น, นที่มันไปค่ํากันตรงนั้นแนะ่ะมันไปไม่ไปไม่ได้คือท่านเทพจะตา ม, ามความจริงขนาดไหนก็ตามจอมปลอมนั้นมันไม่ได้รับความจริงนี่หัวใจของคนไม่ไม่ไมีความจริงมารับมันแเราจะรับได้ยังไงมันก็เหมือนไม่รู้ที่ินี่เหมือนไม่รู้เหมือนไม่เห็นอพอจริงนแล้วก็แยบโอ้สนิดนึงเท่านั้นแ่ะอย่างแยบออกที่ ท, ที่เราเทศเหล่านั้นน่ะ ในยูฟาดลงถึงหมาก็มีบางทีก็ขอเทียบข้อเทียบเคียงให้เฉยไม่ได้ยาอะไรเนี่ยนะจะเรื่องมันเป็นแบบหมามันเป็นได้แน่แล้วทําไมถึงพูดแบบเรื่องมันเป็นไม่ได้ถ้าพูดตามความจริงให้มันเสมอกันไม่เอียงนะกิเลสมันเอียงนี่นะนี่จะเอียงเข้าตัวเสมอโอเนี่จวดตายทซะเรยยิง่ง คือ <c ười> เหมือนกับตาของเราเนี่ยดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูแค่นี้เห็นแค่ น, นี้ดูไปเท่าไรๆยิ่งเห็นกว้า ง, างเห็นขวางเห็นลึกเห็นสูงเห็นลงไปลึกลงไปพิจารณาอะไรเพราะธรรมธรรมะนี่มันเหมือนกับไฟได้ไฟสภาพสภาพแห่งความจริงทั้งหลายหเหมือนเชื่อไฟไฟนี่เชื่อไฟมีอยู่ที่ไหนมันจะลูกลามหวนไปเรืเ่อยๆเรื่อยๆปล่อยไปเท่าไรมันก็นลูกลามไปเรื่อยๆลูบไปลูบไปเห็นไปรูบไปเโอ้สิ่งที่ไม่เคยลูบมันก็รู้ลูบอย่างไม่สงสัยด้วยนะ ไม่ใช่รู้ธรรมดางูปลาปลานะนั่นแหละผู้ที่เจ้านําธรรมะมาสอนโลกท่านเอาทำแบบรู้จริงเห็นจริงมาสอนไม่ได้แบบงูปลาปลมาสอนเออแล้วเพียงเราปฏิบัตินี่มันรู้ยังไงมันสงสัยอะไรจะไปถามคุณถามผู้ที่เจ้าหาอะไรเนี่ยมันบอกสัทธ์เหมือนกันของอันเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเนี่ยแล้วจะไปทูลถาม ท, มท่านทําไมท่านถ้าไม่ใช่คนผีบ้าว่างอ้นผีบ้ารู้อย่างนั้นมาได้อีกแหละเนี่ย ผมนี่พูดตามความจริงแล้วมันปีมันจวนตัวมาแล้วก็เลยเปิดอะว่างแล้วะแต่ก่อนไม่เคยเขาพูดธรรมดาธรรมดาแล้วยกตื้นอยาละเอียดก็ว่ามาตามหลักความจริงกลางๆลกลางกลางกไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเจ้าของนี่มันจวนตัวเข้ามาแล้ว hmm. ก <sm> ็มีเกี่ยวว่างกับเกี่ยวบ้างเช่นอย่างที่ว่าตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกนี่ไม่เคยพูดนี่นะเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ปีที่พูดแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะอืของที่รู้แล้วนั่นเองล่ะแต่ไม่พูด เนี่ยบัด น, นี้มาพูดสี่นานมันคาดชื่อแน่ว่าใจเต็มหมด ห, หัวอกแล้วจะไปสงสัยหาอะไรหายยิ้ว่าทําของจริงเหรอจริงอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามแตัสรูปผลขึ้น ม, มานี้สอนโลกทันทีเลยไม่ต้องไปถามไข่นั่นนึกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสาวกพระองค์ใดก็เหมือนกันโอ้ยอุ่ยมากกว่าต้องมาอ่านจดมายแล้วแม่ต่ำาษาเหมือ น, นาาอหลักมันตัวหมา ครั้งหนเป็นเที่ยวบงาหมาไเ้ยเที่ยวหาเที่ยวบ่เที่ยวิไปหาดมบ่หาดมไวไปออกกินม่มึไปไปไปตามเดิมมึงไปหาเที่ยวมึงไปไปเที่ยวมีอะไรไปหาโดมไปไปหาดมไปดมไปไปดมไป เวงอยไหนดมไป ไ, มไปดมนไปเดี๋วงอไหนดมไปไปดมไปหาไปเดิไป <c oughs> ต่อทารีละ่ะ <c oughs> สัตว์สัตว์ไม่มีเล่ห์เหลี่นะยมนะสิสัตว์ยิ่เงเลี้ยวสัตว์กมมีเล่ห์เหลี่ยมหลายสั้นพันธุ์ผมมนุษย์นี่โถีกิเลพยาธิเป็นอย่างนนนะ จิตเป็นอย่างบางทีจิต็นขยขยะมองดูแล้วกิริยาทีมมนประดับร้านอย่างนั้นมนนัน ม, ยยมันรดูดอย่ า, ยาี่ว่าใช่คือมันรู้มันรูน ด, ดแล้วพูดเคยไปอยู่อะไรมันไม่เคยไปอยู่ก็ไม่พูดพูดหาประโยชน์อะไร ผมก็ยิ่งเข้าแสรามาทุกวันทุกวันมันเหมือนกับว่านับวันอยู่ไปอย่างนั้นท่าทันไม่อํานวยเลยวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งคอยความเป็นเพื่อผลลบนั้นเร็วไ อ, อ้อะเร็วแต่ฟื้นนี่ยากฟื้นลำบากฟื้นยากด้วยมึงเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนทีหมู่เพื่อนมาอยู่นี่กี่องค์นี่ตั้งสามสิบสี่สิบสี่นี่สี่สิบองค์ ยามามากนะที่ต่อไปนี่พอออกภาษาแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ให้พ า, ากันขยายออกไปนะผู้ที่อยู่หลายปีก็มีเยอะออกไปมันไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรดีไม่ดีมาขวางหัวอกเราอกจะแตก ต, ตายเราไม่พูดเฉยมันมันไม่ใช่เป็นของพูดนีอ๋อแบบคนของง่ายหรือแบบหัวใจเป็นไฟนี่ไม่ไม่เหมือนแบบไม้แบบปืนนะแบบหัวใจเป็นไฟนี่มันร้อนที่สุดนะหัวใจเป็นไฟ เม่อภาวนาคือกีอ ค, อความหาความสงบสูขเย็นใจไม่ได้มีแต่พื้นแต่ไฟมาเผาไหม้ของอยู่ในวัดในวานในหมู่ในเพื่อนกลางหมู่กลางเพื่อนไม่อายบ้างเหรือพวกนักปฏิบัติทางจงกรมมันเป็นยังไงระยะนี้ผมยิ่งไม่ได้ไปดูที่ไหนที่ไหนเลยปล่อยตามบุญตามกรรมไปแล้วเดี๋ยวนี้เพราะมันอ่อนพอแล้วไม่จะเล่นกับอะไรแล้วนะเพราะนั้นถึงปล่อยอะไรมายุ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้อยู่ลําพังคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งพอดีพอดี ให้ผมพ่อหมอผมจริงแล้วฉันยัหัแล้วผมเข้าห้องอยากเดินกับผมก็เดินผมอยู่สามนั่นไม่ให้ใครมายุ่งผมอั่นยังงั้นผมอยู่ได้นะอันนี้ยุง่งเหมือเกอยู่ไม่ได้อยู่วัดไม่ได้นะถูกกวนยุ่งไปหมดเลยลบนั่นลีบนี่ไปลำขาดอยู่ในได้รถแล้วนอนไปดูหัวใจจะของไปนะไม่มีอะไรยุ่งเรานะ นอนไปรถมันจะไปไหนไปไปไหนไม่สนใจกับมันมีแต่ความรู้กับขันที่มันอยู่ด้วยกันบางทีไม่รู้ว่ารถไปหรือไม่ไปไม่สนใจแล้วหมู่เพื่นจอดรถเอาของลงบางทีมันจะหลับหรือไม่หลับก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ความหลับกับความไม่หลับมันจะค่ายคืนกันนะเมื่อก่อนผมไม่เคยเป็นมาเป็นปีนี้บางทีเหมือนหลับไปแล้วหาเนี่ยไปนี่เวลามันหลับก็ไม่รู้เวลาตื่นมันก็ไม่รู้ มีหลับมีตื่นคนเรารู้ตัวเองอันนี้มันไม่รู้ตัวเองนะหลับแล้วตื่นมันไม่รู้ตัวเองถ้าเวลาะเอียดมันก็ละเอียดเลยไปเสียว่าอะไรมันก็เลยไปเชียรมืน ไ, ไ, ไม่รู้ตัวเองอนะ่ะเวลาเราข้นไปจอดรถนี้ไม่ทราบว่าถึงไปจอดเอา อ, อะไรเงียบไปเลยมันมันว่าอาจจะขโมยหลับตอนนั้นแต่ไม่รู้นะ นายจะตั้งออกตั้งใจปฏิบัติน ะ, ะตั้งแต่นัน้นยามาเล่เล่ล่อนล่อวันเลยเดี๋ยวนี้กรรมฐานจะเลวไหลหมดแล้วนะยิ่งนะับวันเร็วลงเร็วลงแนละ้วกรรมฐานมันกลายเป็นกรรมฐานหากินไปนั่นเดี๋ยวนี้พูดอะไรคิดแล้วค่อยพูดมันจะผิดไปไหนวะคิดแล้วค่อยพูดคิดแล้วค่อยพูดไม่ได้คิดแบบสุ่มเดาไม่ไคิดแบบยกโทษยกก น, น, นใครนี่คิดตามเหตุตามผลตามหลักความจริง เอาภาษาอนะไรพากันออกไปขยักขย้ายออกไปนะอย่ามา ก, กองกันอยู่นี่นะมันหนักวัดมันจะตายเลยนะผู้ที่มากดมาถ่วงหมู่เพื่อนอยู่นี่ก็เยอะนะไม่น้อยนะตัวขี้เกียจตัวไม่รู้จักการจากงานอะไรตัวขี้เกียจตัวเหมือนสัสตว์ตัวหนึ่งนะอันนี้อะตัวสำคัญนะ ผมมันเคยอยู่มาแล้วกับสิ่งอยู่นี่นะมันรู้มาหมดนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนเราโอกจะแตกแนะเราทนเราทนเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผมนี่เป็นเหมือนกบับบอยกลางบ้านกลางเรนะือนนะยิ่งนี้ปรับปรับปรับปรับปรับทำเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเห็นรายไหนเมือ่อมันมันเร็วแล้วมันไม่ดแล้วก็จี้เอบาเอบ้างเขี่ยวว่า ทำผีเลี้ยงมาใส่เพียงเพียงเลยถึงขนาดนั้นมันก็น่าน่ามึนอยู่นะโห้ยมันมึนอยู่นะไม่ใช่เล่นนะตัวมันไม่ด้านมันมึ น, ม, นมึนจริงนะผ้าเราเนี่ยไม่ใช่เล่นนะผมมันเคยมาแล้วมันเฉดมันลามแลวเวลาหมูเพื่อนมาอยู่กับผมทําไมมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เมื่ออกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นสิแล้วจะทําให้หมู่เพื่อนพูดพ ด, ด, ดีนะนะักของหลักใจเน่มีเยอะนั่นอยู่ในนี้ ทำอะไรก็จะเยอะแยะแย่ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยนี่เทศนนาว่าการให้ฟังให้หมู่เพื่อนฟังนี่แมมผมฟังแทศผมทุกคืนนะเดี๋ยวนี้มันไม่เอาอะไรแล้วนะถ้าเป็นเรื่องของทำแล้วประสานกันดีระหว่างขันกับจิตประสานกันได้สนิทสนิทสนิ ท, นทผมจึงอยู่ด้วยนั่นล่ะทุกวันเนี่นอกนั้นไม่มายุ่งไม่ได้คือมันเวลามันปัดมันปัดขนาดนั้นละเป็นคนละโลกไปเลยกับเรื่องโรคเรื่องทั้งสารกับใจเนี่ย เวลามันปัดของมันมันตัดเป็นกระดนั้นแหละถ้าเป็นเรื่องของทำแล้ประสานกันทันทีประสานกันทันทีเพราะนั้นผมต้องฟังของผมทุกคืนทุกคืนฟังกันไหนฟังเทศผมว่าจะเลือกจะเลือกกันเทศมาฟังกันเหมาะเจาะๆเด็ดๆนั่นแหละจะเอากันเนี่ยมาเลือกไว้แล้วเราจะมาเทศเป็นมาฟังเป็นกรณีพิเศษนะเลือกกันไหนเลือกไม่ลงเจ้าของเป็นผู้เทศเองแต่มันไม่เคยมาแยบหรือว่าเจ้าของเทศนะ มันหมายถึงทําคําเดียวเท่านั้นกับเพื่อนทั่วแดนโลกทานเลยคําว่าทำเท่านั้นอันนั้นะออกมาเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนเทศเราทํางานแทนเฉยเราก็เป็นเหมือนตุ๊กตาคนหนึ่งเหมือนกันนะอืเวลาฟังเทศเหมือนลุกตุ๊กตาคนหนึ่งเหมือนกันแล้วทำนั้นออกแสดงอออกแสดงจ้าจ้าจ้าจ้า <c oughs> ทีนี้เวลาฟังเทศกันไหนไปมันเลือกไม่ลง ผมไม่ได้คุยเลือกไม่ลงกันนี้ดีไปทางนี้เสียเนี่ยการ น, นี้มันดีไปทางนี้เสียแล้วกันนี้ก็ดีไปทางนี้เสียทีนี้เลยเลือกไม่ลงเลยดีทุกกันดีคนละแบบละแบบละแบบไปแต่กันได้แล้วฟังแล้วมันแหมมันมันปลุกใจเหลือเกินนะบางทีจนสะดุ้งบางกันนะ่ะใส่เตียเต้ยงเตี้ยงเตี้ยงเออเอเอถึงขนาดนี้พอดีว่ะ นี่แหะที่ฟังมาเป็นลาดับลาดาอยู่ขนาดนี้มาฟังเทศมาตั้งนานแล้วเท่าไหร่ฟังอยู่อย่างนี้ทุกคืนทุกคืนอดอสอดอด อ, ดอยู่นั้นนะผู้เดียวฟังเพิรนอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับอะไรในโลกก็นี้เหมือนไม่มีถ้าว่ามีก็แย็บเท่านั้นนะออกไว้ว่ามีถ้าเราธรรมชาติแล้วไม่มีวางอันเลยคืออันนี้ไม่ออกไม่ไปยุ่งตัวยุ่งจริงเห็นชัดเจนเลยว่าคือตัวกิเลส ต, ตัวเทวทัพ ตัวพายุ่งตลอดเวลายุ่งไม่หยุดไม่ถอยยุ่งไม่อิ่มไม่พอยุ่งไม่เบื่อไม่น่ายยุ่งไม่เข็ดไม่หลับคือตัวจุกิเลสภาคสัตวโลกให้ยุ่งตัวนี้ยุ่งมากพอตัวนี้พังลงไปตอนนั้นเองมันไม่มีอะไรยุ่งเลยมันเห็นหัวใจเจ้าของนี่ที่ว่ามันจะชัดๆนี่นะมันไม่มีอะไรยุ่งเลยมันหมดจริงๆหมดซะขนาดนั้นไม่มีอะไรยุ่งโลกจึงเป็นเหมือนไม่มี เขาแยบออ ก, กว่ามีเท่านั้นเนี่ยก็เพียงสังขารมันแยบออกไปหรือสัญญามันแยบออกไปชั่วขณะเหมือนฝ้าแมพพนอะ เ, เข้ามาแล้วมันก็นหายไปเหมือนโลกไม่มีโลกไม่มีแล้วอะไรจะมากวนใจฟังแต่ธรรมะนี่ธรรมะนี่ไม่ท ร, ราบเป็นยังไงว่าน้ำดื่มด่ํามันซึมทราบแล้วฟังตลอดมาเลยจนกระทั่งฝันนี่ฟังจ น, จนไหนปลูกทุกกันทุกกัน แล้วก็ย้อนมาหาหมู่เพื่อนเทศขนาดนี้มาได้สี่สิบเก้าปีนี่แล้วเทศสอนหมู่สอนเพื่อนเทศเทศหมดไสหมดพุงเทศหมดตับหมดปอดมีอะไรอะไรไม่ว่าเหตุที่ดําเนินมายังไงยังไงเปิดออกหมดไม่ว่าผลที่ได้รู้ได้เห็นมายังไงเปิดออกหมดให้หมู่เพื่อนฟังด้วยความเมตตาสงสารเต็มหัวใจเต็มหัวใจแล้วมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยนี่มันสมควรแล้วหรือที่จะเทศสอนหมู่สอนเพื่อนต่อต่อไปอีกหนาแน่น มันทําให้ท้อใจอย่างแต่สมมุติว่ามีกําลังบังชาอยู่ก็น่าจะท้อใจน่าจะหยุดนะมันไม่น่าจะเทศต่อไปอีกคือมันเหมือนละลายกะปิแต่น้ําทะเล น, เนั่นแหละมันไม่มีน้ํายาอะไรน้ํากะปิละลายลงทะเลนะธรรมะก็ไม่มีน้ํายาสำหรับกองกิเลสอย่างนั้นเลยท่นไม่มีน้ํายาอะไรถ้าเป็นกิเลสเอาวันยังค่ําขึ้นยังรุ่งเอาเป็นตายกันว่าเลยนี่ที่มันน่าทุเล่นนะ หมู่เพื่อนมาอยู่กับผมในนานเท่าไรผมเทศสอนหมู่เพื่อนมาเป็นหมื่นๆแสนๆองค์พระนงึงที่มาเกี่ยวข้องกับเราเนี่องไหนบ้างพอได้สติสตังสมที่เราเทศทุ่มลง้ะอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มไส้เต็มผงไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ลมันน่าจะได้อะไรบ้างแล้วมันเป็นยังไงนี่สิมันถึงอดคิดไม่ได้นะมันต้องเลยคิดเลยสิเ้าของเองฟังนั้นจนตื่น คือมันปลุกใจคึกครักตื่นเต้นปลุกใจไอ้หมู่เพื่อนฟังมันหลับค้อข้อฟังนั่นสิมันถึงไม่ในเรื่องในราวถ้าฟังด้วยความศาสตร์ความจริงแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่านี่ก็เคยฟังทั่วเทศเพราแม่ครูอาจารย์มั่นเราวันไหนจะท่านจะประชุมเทศน่แม่วันนั้นเหมือนจะได้ห่อเหินเดินฟ้าหิบมันขยับไปปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไม่ขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมดาพอท่านเริ่มเทศได้จ่อปั๊บที่ไป แน่วเลยไม่มีกันไหนจะภาดวางั้นเลยเหมือนอย่างโยมแม่ฟังเทศเรา่ะที่ว่าไม่มีพลาดถ้าอาจารย์เทศกันไหนกักันนั่นพอจอยลงปั๊บนี่จิตจะเริ่มสงบแนวหรือทันทีนี่เราก็เป็นแล้วพอโยมแม่พูดมันก็เข้ากันได้ทันทีเพราะเราเป็นมาก่อนแล้วนี่แค่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนี่มันเหมือนไม่ได้นั่งนะตัวมันไม่ทราบอยู่ที่ไหนมันไม่ได้สนใจกับตัวมิได้ผู้ที่รู้นั่นน่ะ ละเอียดละ อ, อที่สุดอยู่ภายในใจเท่กับเสียงอยู่สมเพิ่นๆนะเวลาจิตเข้าถึงที่แล้วเสียงเท่นจะแววแววอยู่เพิ่นเพิ่นเหมือนเ พ, เ พ, เพิ่นไม่ได้เข้านั่นพอส่งเขา้าจิตเข้าสู่นั่นแล้วธรรมะก็อยู่ข้างนอกนี่เพี้ยไม่เขา้าแล้วถ้าถ้าจิตไม่ดื่มธรรมะภายในนั่นนั่นธรรมะมีหลายประเภทจิต ด, ดื่มธรรมะประเภทนั้นจิตที่ธรรมะประเภทที่ส่งเข้าไปหาจุดนั้น อยู่ข้างนอกซะแล้วแล้วแล้วเทศถึงสามสี่ชั่วโมงมันไม่ได้กระดุกกระดิกอะไรเลยนะเหมือนตายแล้วนั่นแหละทราบขันเนี่ยมันไม่รู้เจ็บรู้ปวดรู้อะไรทะ้งนั้นท่านเทศจบลงแล้วยังเสียได้ยังอยากฟังอีกน่ยนู่นน่ะฟั้งที่นี่แหละฟังเทศครูอาจารย์เราเคยฟังมาอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นอีกด้วยนะมในสมมตินะปฏิบัติเป็นอย่างเอาเป็นเราตายในชีวิตของผมผมบอกกงกงให้หมู่พื้นฟังอยู่แล้วไม่รู้กี่ครา้งกี่หนไม่มีอะไรหนักมากที่กว่าการฆ่ากิเลสว่ะ ค่ากิเลส น, นี่เราได้สละชีวิตกับมันจริงๆเอาถึงเป็นถึงตายที่ซี่เคยพูดให้ฟังอ่ะเขาแตกบ้านแตกเมืองไปดูแล้วเขาว่าเราตายแล้วไปไหนนี่ <c oughs> เรายังไม่รู้จักตายคนอื่นเขาอยู่ในบ้านเขายังรู้ว่าเราจะตายเขายังมาดูเราหนักหรือไม่หนักที่ไหน <c oughs> ตัวนี้มันหนังห่อกระดูกมันไม่มีเนื่นองเพราะทรมานเจ้าของถ้าไม่ทรมานอย่างนั้นจิตมันก็ไม่ดี ทรมานเทา่าไรอดอาหารนี่เนี่ยสําคัญมากกับดิตนิสัยของเรานี่ชอบมากนะอดอาหารไปหลายวันเทา่ทาไรเท่าไรจะขาจะกล้าไม่ออกเดินจงกรมจะไม่ได้จิตนี่เหมือนจะขอเหินเดินฟ้าพุ่งพุ่งพุ่งนั่นสิถึงวันฉันมามันถึงทะเลาะกันระหว่างขันกับจิตขันก็ว่านี่จะอดไปให้ตายลเลยหรือนี่กิเลสจะไม่ตายจะของจะตายแล้วนไงนะเนี่ยนะเรื่องฟังขันทางกิเลสมันออกทางนี้ทางนี้ก็ตอบรับกันฝึนก็เคยกินมาแล้วตั้งแต่มันเกิดนี่นะวะ เพียงอดอดเพียงตอนนี้มันจะตายหรืออัตากะตายสิเนี่ยมันแก้กันมันเป็นอย่างนั้นมันเอาจริงๆอย่างๆไม่ให้ทําเล่น น, นี่ะไม่ได้ทําเล่นเพราะฉะนั้นเห็นอะไรแล้วรอดแหละมันจริงดูไม่ได้นะเนี่ย <c oughs> นี่เลยอาการฆ่ากิเลสหรือรรรว่าสุดหัวใจหลอกผมนี่สุดชีวิตถ้ากิเลสไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นมีสองอย่างเท่านั้นที่จะให้เป็นคู่แข่งกันต่อไปอีกเป็นไม่ได้แล้วว่างานอะไเป็นังไงก็ตามกิเลสไม่พังเราต้องพังมี่สองอย่าง ทจะให้มาให้เป็นคู่แข่งกันต่อไปอย่งเป็นไม่ได้เลยเป็นไ ม, ไม่ได้แล้วอ่ะมึงฟาดเราซะจนมันมันยากไปเป็นขั้นๆ น, นะภาวาการภาวนาเนี่ยให้มันเห็นทางความจริงขึ้นบนเวทีแล้วมันก็รู้เองแล้วเรามาพูดเจาะๆออยู่นอกเวทีนี่มันไม่ได้นนหน้าเลยหลังนะให้ขึ้นเวทีต่อก้อนกับพิเรศก่อนเพราะฉะนั้นถึงว่าความรู้ใครก็ตามในสามเดือนโลกธาตุนี้ ถาจะาความรู้เกิงกล้าสามารถขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่ได้ขึ้นต่อกรกับกิเลสแลยอย่าอวดนะว่างั่นเลยความฉลาดแหลมคมความแยบขายนี้ไม่มีอะไรเกินกิเลสเพราะฉะนั้นมันถึงได้ครอบงำหัวใจโลกเลยที่นู่นเวลาทําำประเภทที่จะเหนือมันนย่างที่ที่เหนือมันและจะเหนือมันนี่ขึ้นโดยลําดับลําดับลําดับลำดับเหนือมันขึ้นโดยลําดับตามกันทำตามกันนี่ความรวดเร็วของกิเลสมันรวดเร็วกี่ขนาดไหนธรรมะยิ่งรวดเร็วกว่านั้นธรรมะยิ่งรวดเร็วกว่านั้นสุดท้าย ถ้าพูดถึงเรื่องเพลินมวยมองกันไม่ทันระหว่างแชมเพี้ยนต่อยกันนี่กิเลสยังเต่งกว่านั้นระหว่างกิเลสกับธรรมต่อยกันมองไม่ทันเป็นเองนะจนอัศจรรย์ว่าโถจิตนี้เมื่อเวลามีความแก้วกล้ า, กาสามารถมีความฉลาดแหลมคมมีความรวดเร็วนี่เป็นอย่างนี้เแถวเหลือแถวเหลือต้องว่าเจ้าของนะอืมเป็นขนาดนี้แล้วมันเห็นเรื่องมันฤทธิ์ของมันมันฟัดกับกิเลสที่กิเลสมวนเสือม้วนเสือเป็นลําดับลาดาแล้วอันนี้ พอแยกออกมานี้ยขาดสะบั้นขาดสะบันบ้นเพราะฉะนั้นิได้กล้าเทศแล้วสีไม่ามาเทสเฉยๆนี่เมื่อเวลากิเลสเวลาทำ ม, มากเตียงไกลขึ้นขึ้นขั้นสติปัญญาอตโนมัติภาวนามายาปัญญามหาสติมหาปัญญาแล้วเอาที่นี่ว่ากิเลสตัวไหนมันจะยกเมฆมาสามเด่นโลกธาตุให้ม า, าว่างัันเลยมันต้องคังหมดถ้าถึงขั้นสติปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นจริงๆในม้วนเสือในพระพุทธเจ้าพระหักฐานทั้งหลายม้วนเพเหตุนี้เองแน่มันจับได้หมดนะแต่ไม่ถึงขนาดนี้ม้วนไม่ได้ะถึงขั้นมันม้วนมันม้วนได้ถึงขั้นมันเจียงไกลเจียงไกลสติปัญญาเพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นสิ่งที่ฝึกได้นะครับเป็นสิ่งที่ฝึกได้ฝึกไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระสาวกเป็นสาวกไม่ได้เป็นพระรหลักฐาไม่ได้สร้างเป็นของฝึกได้เราทําไมเราจะฝึกของเราตัวของเราไม่ได้ว่ามันน่าคิดอยู่นะ นี่น่าเวลามาสอนหมู่สอนเพื่อนนะอยู่งมุมมูม่งงามงามต้วมต้วมเตี้ยมเตียมมันไม่ได้น่าหัดลังอะไรเลยอันนี้มันยากอะไรดูมองดูของหมู่เพื่อนนี่ถ้าถ้าดูแล้วมันดูไม่ได้ฟังแล้วมันก็ฟังไม่ได้ไม่ดูไม่ฟังเป็นแบบหู้นห่วงตาบอดไปเสี ย, ยงั้นมันก็อยู่ไปตามภาษาของแล้วตามภาษาของพวกนั่นเช่ยังงั้นไปหละมันถึงอยู่ได้นะแล้วไม่ได้หา ย, โ ย, โยโกโทษยกกนหมู่เพื่อนนะ คือความขวางนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นซึ่งเราตำหนิตีเตียนเราเทศเราให้ฆ่ามันทั้งนั้นแต่ให้มันมาเพ่นเพ่านอีู่เหยียบหัวพระองค์นั้นเนรองค์นั้นให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่นี่หน้าความหมายว่าอย่างนั้นต่างหากมันไม่ได้ลดน้อยลงไปเหมือนกับที่เราเทศเพื่อปราบกิเลสนี้นะอันนี้นะที่มันน่าชิดคิงว่าเห็นเหมือนไม่เห็นดูเหมือนไม่ดูไปเสียดีกว่าวมันเจงขนาดนั้ น, นเลยกิเลสเจงขนาดไหนเอาให้ขึ้นเบทีซะก่อนหา่ะ ขึ้นเวทีอย่างที่ว่าเนให้ถ้าถึงขั้นนี้แล้วยังไงกิเลส จ, จะมีจะเท่าไรม้วนเสือหมดไม่มีตัวไหนจะมาตกค้างอยู่ได้เลยล่ะลงสติปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นขั้นอัตโนมัติเป็นขั้นหมุนตัวไปเองคือสมุทัยมันก็นหมุนตัวของมันกิเลสนี่ธ้ธรรมาชาติทั้งมันจริงมันหมุนตัวงมันโดยอัตโนมัตินะมันหมุนสัตว์โลกให้อยู่ในวัฏะวนเนี่ยหมุนให้เกิดแจ็เจ็บตายให้หมุนให้คิดให้ปรุงให้แต่งให้อะไรไม่มีความอิ่มพอใจนะความคิดความปรุงของตัวของ ทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนอยู่ภายในหัวใจนั่นแหละนี่เรียกว่ากิเลสวัตจักรมันหมุนของมันตัวของมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเอยิ่งใครมีความหนาแน่นโดยกิเลสอะไรกิเลสยิ่งหมุนใหญ่ความทุกยิ่งหนาแน่นขึ้นโดยลําดับลำดาโน้นเวลาเราฝึกหัดอบรมเข้าไปเรื่อยๆ เ, เอาทุกกระทกู้ยอมรับว่าทกุกขันมันทุกทุกจริงๆนะจิตรั้วมไม่ได้นี่สิ ฝึกทรมันให้ให้จิตสงบนี่มันก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันพอจิตสงบเลยแล้วก็ขยับเข้าไปอีกแต่ว่ากรรมมาบ้ า, าเพลินลืมตัวอยู่ตอนที่จิตเป็นสมาธิแล้วมันลืมตัวก็ยอมรับว่ามันลืมตัวที่ว่าติดสมาธิอยู่ห้าปีมันลืมตั ว, ต ว, ว, ตตวคือมันสวายไม่ยุ่งกับลูกกับเสียงกับกลิ่นกับรถกับอะไรเลยมีแต่ความสงบเย็นพอเข้าแนวเลยเพราะจะเข้าอยู่ตลอดเวลาไม่อยากออก เข้าไปนั่นแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้อันเดียวแนว่วสุดแท้ก็ว่านี่นี่ผ่านจะเป็นนี่ผ่านนี่จะเป็นนี่ผ่านไปอย่างนั้นมันนั่นเรียกว่านอนใจมีสบายบ้านแต่ตรงนี้ฮะทีนี้พอออกทั้งด้านปัญญาเก้าทั้งด้านปัญญาที่เอาแล้วนะ น, นี่นี่แหลกองทุกใหญ่อันหนึ่งแต่กองทุกด้วยความเห็นเหตุเห็นผลด้วยความรู้จกักการจ้างงานแล้วมันต่างกันนะมันมันรู้จักผลรายได้หมุนติวต้วติ้วทุกขนาดไหนมันก็ไม่ได้ว่าทุก ทั้งวันทั้งคืนนอนไม่ได้บางทีสองคืนสามคืนมันนอนไม่ได้เลยนอนไม่หลับเพราะจิตทํางานปัญญาทํางานมันเป็นอัตโนมัติของมันนี่แหละที่ว่ามรคเป็นอัต <per S 1> โนมัติมรคสัตริย์สมุทัยษัตว์เป็นมันเป็นอัตโนมัติของมันเวลามันหมุนสัตว์หัวใจของสัตว์โลกมันหมุนอย่างที่ว่านี่แหละที่นี่พอถึงขั้นธรรมะหมุนกลับแล้วที่นี่ก็หมุนกลับแบบนั่นแหละนี่ กิเลตมันหมุนกับมันหมุนมัดสั่นโลกฉันใดธรรมะก็หมุนคลี่คลายออกฉันนั้นเหมือนกันหมุนติ้วติวติวหมุนไม่หยุดถ้ากิเลสไม่หมดแล้วเป็นไม่หยุดหยุดไม่ได้ฟาลงไปจะจงกระทั่งมันม้วนเสื่อลงไปไม่มีอะไรเหลือเลยเอาเราพูดอย่างสรุปนะนี่นะอันนี้ธรรมชาตินี้ก็ยุติตัวเองนะไม่ต้องบอกไม่ต้องสั่งต้องสอนไม่ต้องบังคับบัญชา หากเป็นหลักธรรมชาติพอดีพอดีกันพอดีพอดีพอนั้นม้วนเสือไปแล้วก็เห็นชัดเจนว่าม้วนเสือแน่มันก็รู้แล้วว่าม้วนเสือแล้วจะค่าอะไรจะแก้อะไรทีน่นี่เรื่องที่แก้ก็คือเรื่องที่มันม้วนเสือแล้วนั้นมันเดี๋ยวนี้มันม้วนเสือไปแล้วจะแก้กับอะไรจะสู้กับอะไรมันก็รู้กันอยู่งั้นไม่มีอะไรเหลือในหัวใจแล้วมันเปิดร่งแดนโลกธานุนีเปิดล่งไปหมดเลยไม่เคยเห็นมันก็เห็นไม่เคยรู้ก็รู้ ถึงว่าเรียนพอจบพ่อก่ไปดูโอ้ยเอามาคุยพ่อไก่ไปดูเป็นความจํามันก็ไปเป็นทางเป็นทางที่เรียนไปตรงไหนมันก็ไปตามทางของมันที่เรียนที่จําได้เรื่องความจริงนี้มันกระจายไปหมดเลยเหมือนไฟได้เชือ้อเชื้อไฟมีอยู่ตรงไหนไฟจะลุกลามไปนี่ความจริงมีตรงไหนตรงไหนทำจะลุกลามไปอย่างนั้นเหมือนกันนี่กว้างหรือไม่กว้าง อ, อ่ฟังสินี่เราทำมากของผู้ทีเจ้าอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นมีแต่พูดคนเดียวโก็มันเหมือนบ้าเลยนะวัน มันเป็นมาพอแล้วพูดถึงเรื่องความทุกข์ความท ร, รมานกับมที่เหลวเพราะงั้นเราถึงอ่อ น, ออนใจละโอ้จ ะ, ะเป็นถึงขนาดนี้วจะสอนใครได้วาสอนโลกได้ยังไงเป็นถึงขนาดนี้เรวไม่คาดไม่ฝันว่าเราจะเป็นไปได้อย่างนี้แต่มันก็เป็นไปได้อย่างประจักษ์ใจแล้วที่จะสั่งสอนโลกให้ดําเนินตามดังที่เราดําเนิน่ะใครจะไปสามารถดําเนินได้อย่างนี้นะนั่าเราน่าที่พ้อใจ มันหนามันแน่นขนาดนี้พี่เด่นแล้วใครจะไปแหวกมันออกมาได้ว่างล่ะคิดไปคิดมาทบทวนเรื่องปฏิบัติทา <c oughs> เครื่องดําเนินบันไดเครื่องก้าวไปสายทางที่ก้าวไปเอาได้มากก็เอาได้น้อยก็เอาได้ขนาดไหนก็เอาตามที่พอกมันเกิดมันมีพอได้นั้นแหละกรับเพราะฉะนั้นถูถ่ายไปมูซี่เจ้าถูถ่ายไปอย่างนั้นนะไม่ใช่พระองค์จะเลิกไปหมดทั้งโลกนี่นะเหมือนกับว่าถูถ่ายไปถอดเอาตรงนั้นถอดเอาตรงนี้ไปอย่างนั้น ท่านถว่าเอาพอได้ท่านนี่เอาเอาไปนั่นนะเวลาถึงเดนอัศาจรรย์มันอัศจรรย์จริงๆนี่มันไม่ได้มีอะไรเหมือนธรรมชาตินั่นเลยนะเอาอะไรมาเหมือนมโลกธาตุนี้ อ, อะไรมาเหมือนโลกธาตุนี้เป็นแดนที่อยู่ของกองนรกอเวจีของสัตว์โลกทั้งเป็นที่ทอดอสัตว์โลกทั้งห่านี้กองทุกเต็มอยู่นี่หมดพราะข้าออกจากนี้ไปแล้วมีอะไรมาพูดมันหมดสิ่งที่จะพูด เห็นแต่ความมหัศจรร์นั้นเนี่ยความมหัศจรรันยนี่ก็มาพูดโดยเฉยนะยังเลยความมหัศจรร์ไม่อีกคาดไม่ถูกได้แต่คำว่าพอสันนั้นละ่ะ ถ, ถ้าพอจะใกล้ๆกันบ้างก็กพอเท่านั้นคือพอดีพอดีทุกสิ่งทุกอย่างพออยู่ในนั้นหมาเลยจะว่าเลิศหรือว่าเลวว่าอะไรอะไรมันก็พอแล้วนี่ไม่รับทั้งนั้นละ่ะอะไรไม่รับหมดทั้เนี้ว่าพอนี่เอาจนจะเป็นจะตายจริงเนี่ย ก่อนจะได้มาสอนหมู่สอนเพื่อนผมก็ไม่ได้เนึกว่าผมจะได้เป็นคววรูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนประชาชนได้โดยทั่วประเทศตั้งที่เป็นอยู่เวลานี้นะเวลาปฏิบัติตัวเองมันมันเป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพมันไม่เคยยุ่งกับใครแต่ไหนแต่ใดมาตั้งแต่ออกปฏิบัติก็ก้าวขึ้นสู่เวทีคือภูเขาฉะนั้นคนเดียวคนเดียวคนเดีย ว, ยวไม่เอาหมู่เอาเพื่อนไปด้วยเลยเลยคนเดียวพราแม่ครูอาจารย์มั่นก็ส่งเสริมช่วด้วยเอาท่านมหาไปองคเดียวนะจะใครจะไปยุ่งท่านนะนั้น ท่านรู้นีสัยแล้วแสดงว่าจริงจังมากกับพูดจากว่าอย่างนั้นล่ะคิดดูที่ลงมาจากภูเขาบางครั้งมาเหมือนท่านท่านตกตึงนะโอผมยังไม่ลืมพอมาก้มกล่กลาวบ้างป้าป้ากเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ละ่ะฟันว่าคือมันยังเหลือแต่กระดูกนังห่อกระดูกนั่นลงมาคนหนุ่มๆ น, นะอาอยุแค่สามสิบยัานนี้แหละคนหนุ่มๆคือมันฟาด ก, กับที่เลดขนาดนั้นล่ะฟังนี่จนเจ้าของจะตายยังไม่รู้ว่าเจ้าของจะตายตัว เหลืองเหมือนทาคามินเฮ้ย<ฮ>ทำไมเป็นอย่างนั้นเราเนวังเราก็คอยฟังท่านจะออกแน่ไหนอีกเดี๋วคอยฟท่านกลัวเราจะอ่อนเปียกเหรอสิท่านคิดใหม่ปับ๊บเออมันต้องอย่างนี้เลยจึงเรียกว่า น, น่ารบนั่นเห็นไหมมันต้องอย่างนี้จึงเรียกว่า น, นักรบทีนี้เวลาเราจะไปไหนมาไหนนี่ใครจะไปยุ่งไม่ได้ผมบอกแต่จะไปกี่องค์นี่ไปองค์เดียวเออาปองค์เดียวแล้วทํานมาใครจะไปยุ่งท่านนะนีใครจะไปยุ่งก็ลมโพลมไซมีอยู่แล้วนะ่ะ เราก็สบายเราไม่นึกว่าหมู่เพื่อนจะมาสนใจกับเราน่ะเราจะไปไหนแล้วก็ไปสบายสบายองเดียวองคเดียวอย่างนั้นเป็นประจำประจำเพราะฉะนั้นใครจริงๆก็มาเขียนประวัติผมนี่เขียนไม่ได้เรื่องนะของผมไม่ได้เอาองนั้นไปด้วยองค์นี้ไปด้วยองค์นั้นอยู่กับผมระยะนั้นอง์นั้นอยู่กับผมระยะนั้นพอที่จะเอามาติดต่อกันให้ได้เรื่องได้เล่าขึ้นมานี่ผมไปได้วยองเดียวผม <c oughs> นอกจากมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังแล้วก็เขียนไป สุบสี่สุบห้าไปอย่างนั้นนี่มันขนาดนั้นจริงๆคือมันมันไม่ไม่นั่นมันเป็นอยู่ตั้งแต่ในหัวใจแล้วความมุ่งมัน่นตั้งแต่ลงใจแล้วว่ามรรคนิพพานมีไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ท่านเทศเดีนี่หน้านี่หน้านี่หน้ า, นนาอยู่นี่แหละเหมือนท่านเอาเลร่าจับเราแล้วเนี่ยความหวังกับมรรคนิพพานเขาเต็มหัวใจแต่ยังสงสัยว่ามรรคนิพพานจะมีอยู่หรือไม่มีน มันพอไปถึงท่านเหมือนว่านี่หน้านี่หน้าท่านจะเห็นหามัคคุนิพานที่ไ้ดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศสัมผัเป็นอากาศสัมผัไม่ใช่มัคคนิพานนัคคนิพานอยู่ที่จิตที่เดียดอยู่ตรงไหนนั่นนะมัคคนิพานอยู่ตรงนั้นเอาฟาตรงตรงนั้นสินานท่านไล่เขาามาหาเนี่ยนะยังไปหาอยู่ตามการตามสมัยไม่มีที่เดียดไม่มีตามการตามสมัยมีอยู่ที่หัวใจมัคคุนิพานไม่ได้อยู่ตามการตามสมัยตามสถานที่ต่างๆอยู่ที่หัวใจท่านลงไปนี่ที่ยุ่งอะไรยุ่งเวลานี่ ตนไม้ภูเขาเขายุ่งไหมมันหัวใจเรายุ่งต่างหากขี้เลียดอยู่ตรงนั้นมันก็ยุ่งละสิน่ะฟาดที้เลียดลงไปแล้วมันจะอะไรจะมายุ่งวะนั่นน่ะท่านสอนอย่างนั้นมันก็ลงใจเอาละเอาแน่ใจแล้วที่นี่ยังไงก็เอาละนะเแต่เราไม่ถอยปรงใจเปิงเลยสิเดี๋ยวเอาลนะได้การที่นี่วะนั่นน่ะหมายถึงว่าตกลงใจเป็นที่แน่ใจแล้วว่ามะขุนนี่ผานมีสมบูรณ์อยู่แล้วเราจะเอาให้ได้มะขุนนี่ผานไม่ได้ต้องตายเท่านั้นไม่ตายให้ได้อย่างอื่นไม่มี เพราะฉะนั้นมันถึงเด็ดสิเรื่องความเพียรนี่ยไปอยู่กับไปกับหมู่กับเพื่อนผมไม่สะดวกไม่สะดวกสบายนะไปสององก็เป็นน้ำไหลบาสสองทางไปใส่ไหลบาสสองถัส ง, างสงามถั ง, งมันไม่สะดวกถ้าไปองค์เดียวนี่เดินจังกรมทั้งวันเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเดินไปจากนี่ไปอยู่ไปสู่ที่นั่นนี่คือเดินจังกรมไปทั้งวันเลยไปอยู่ที่ไหนเดินจงกรมทั้งวันดังนั้นนะ่ะสติกับปัญญาอยู่ด้วยกันอย่างนั้นนะฟังเราที่หมู่เพื่อนนะเรื่องความเพียรเป็นอย่างนั้นเองนะความเพียรอยู่กับสตินะ อยู่ที่ไหนเป็นความเพียรตลอดเวลาแล้วเราไม่ทราบวันเราได้ทำความเพียรด้วยทางความเพียรเดินทั้งวันวันนี้มันเป็นความเพียรทั้งวันนี่นะเนียหมุนติวต้วติ้วติ้วขอมันอยู่ถึงขั้นสงบมันก็สงบของมันแนวถึงขั้นหมุนติว้วมันก็หมุนติ้วอยู่นั้นตลอดเวลาจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าสติปัญญานี่เลยคาดเลยคิดคาดไม่ถูกคิดไม่ถูกถ้าไม่เป็นหัวใจของเจ้าของแค่อย่างเดียว อยงที่ว่าภาวนามัญจายาผมก็เรียนพราะมีในหลักวิชาสอบสินตามัจจายาปัญญาสินตามัญญาปัญญาภาวนามัจจาญาท่านบอกไว้ว่าปัญญาสามปัญญาที่เกิดสามประเภทอันหนึ่งเกิดปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังอันสองปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดอ่านอ่านแต่เราอันที่สามปัญญาเกิดที่ขึ้นจากการภาวนาน้ล้วนการภาวนาน้นล้วนนี่สิมันไม่รู้ ภาวนาล้วนมันเป็นยังไงปัญญาเกิดด้วยการภาวนาล้วนเวลามันมาเป็นขึ้นที่หัวใจนี่อ๋ออย่างนี้เองปัญญาล้วนคือไม่ต้องอาศัยรูปเสียงจิง่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามากระตุ้นเตือนหัวใจก็ตามแต่ใจนั้นกับงานทํางานกันอยู่ตลอดเวลากับกิเลสฝัดกันกับกิเตลอดเวลาอะไรมาสัมผัสมันก็เอานั้นมาพิพจารณาก็เป็นเรื่องของกิเลสแก่กิเลสอยู่ในนั้นอะไรไม่มาสัมผัสมันก็เป็นอยู่ในหัวใจของตัวเองนี้เรียกว่าอัตโนมัติ เป็นภาวนามยะปัญญาเรืเ่อยจากนั้นมันก็หมุนเขาเ้าไปมหาสติมหาปัญญาสิความเผลอไม่มีเลยขั้นเป็นพื้นเลยเจ้าถึงขั้นพระมหาสติมหาปัญญาแล้วความเผลอไม่มีตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทัง่งหลับเผลอเมื่อไหร่นี้ไม่เคยจะจับได้เลยนะนั่นถ้ามันเห็นอย่างนั้นสิการปฏิบัตินะ่ะพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นภาษาวกทั้งหลายท่านเห็นอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นท่านนํามาเทศน์สอนโลกอย่างจังจังอย่างนี้เรามาเทศ เราจะมาทําล่อหลอแล่แหล่ได้หรือมันเข้ากันได้หรือพอหร่อหลอแหล่แหลๆๆ่ม่กิเลือหลอกคนต่างหากเลยนะธรรมะท่านไม่ได้หล่อแหล่นี่ค้าจะทําคุณงามความดีอะไรเดินยังกรมนังสมาธิภาวนาก็เห็นว่าลาบากลำบดีที่กิเลสสร้างขวางสร้างหนามให้ทั้งนั้นล่ะให้ก้าวไม่ออกธรรมะท่านสร้างให้ที่ไหนอมเราจะเข้าไปก้าวไปหาอันดีกิเลสมันขวางไว้เสียขวางไม่เสียเหล่านี้เป็นกลมายาของกิเลสเวลาเข้าถึงตัวมันแล้วรู้หมดอะไรเป็นกลมายาของกิเลสที่มันออก สกัดลัดโลกไม่ให้ไปจากเนื้อมือของมันคืออะไรอะไรมันรู้หมดเลยนะไม่รู้แกไม่ตกถึงขั้นมันรู้เนี่ยพอแยกออกมานี่มันขาดสะ บ, บั้นไปเลยฟังซินี่นะ่ะถึงขั้นมัน ร, นรู้มันรู้อย่างนั้นอ่ะยีเดียต์บายของกิเดีตมันจะออกมาแบบไหนนี่แยบพับรู้ขาดสะ บ, บั้นไปเพราอไปเพอ้อไปเพอ้พอเป็นเรื่องของยิเดีตของยิเดีตเอาจนขาดสะ บ, บั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือรู้ จนก็โห o สะหด่สังเวชนี่นะเวลามันเป็นนะสะหล่สังเวชน้ำตาล่วงคืนวันนั้นผมไม่ได้นอนนะเอาพูดให้มันเต็มยศ เ, เต็มดดเต็มบทเต็มบาทแต่วันนี้ได้พูดธรรมะมันพอที่จะพูดได้บ้างก็พูดละมันนอนทั้งคืนกราบพระพุเทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบครูบาอาจารย์คนอื่นเขาเห็นเขาจะว่าเราเป็นบ้าเป็นบออะไรอีตาผีบ้ามันยังไงกันเอง นั่งอยู่เฉยเหมือนตุ๊กตาเดียเด๋ยวเรากาบเดี๋ยวเรากามันกาบบ้าอะไรเขาจะว้าอย่างนั้นนลยนะทั้งๆ ท, ที่เขาเป็นบ้านั่นแหละแล้วกาบเขามาสัจจันต่างหากมันอัศจรรย์ขึ้นมานี่นี่ไมอมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ก่อนเราขาดว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นนี้นบุริเวลามันเป็นเขาเป็นหลักความจริงแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนพระพุทธเจ้านี้ผ่านไปไหนนั่นน่ะมันเป็นอันเดียวกันแล้วเฮ้ยละกาไปที่ ไม่นอนเลยอ๋ออาจารย์หาธรรมหาที่ไหนหาที่ไหนอยู่นะเราฐานเจ้าของอนะที่นี่น่ะหาที่ไหนทําอยู่ที่ไหนแล้วหาธรรมหาที่ไหนอืมแบกกดแบกมุ่งวิ่งเข้าป่าเข้าเขาไปหาหาธรรมธรรมอยู่ที่ไหนทําอยู่ที่ไหนก็ถูกในขั้นนั้นขั้นแบกกดเขาป่าผู้เขาแต่ทําจริงๆอยู่ที่ใจนี่เวลามารู้มารู้ที่ใจนี่ทําอยู่ที่ไหนทําอยู่ที่ใจความหมายว่าอย่างนั้นมารู้ตรงนี้จ้า ขึ้นมาแล้นี่อาจา ร, รย์ไม่ไม่ทราบว่าจะพูดว่ายังไงถูกมันไม่มีอะไรเหมือนซะแล้วโลกอันนี้มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเออเอาละที่นี่มอถึงแดนสมหวังแล้วที่นี่มันเป็นอยู่นในหัวใจละเอาละสมถึงแดนสมหวังแล้วนั่นเห็นไหมนี่ละเอาความเอาจริงเอาจังความมุ่งมั่นนะสาคัญมากนะ ความเชื่อว่าผลนิพพานมีแล้วยังไม่แล้วยังความมุ่งมั่นที่จะเอาว่าผลนิพพานให้อยู่ในเนื้อมือให้ได้เนี่ยอันนี้มันเต็มหัวใจความมุ่งมั่นเต็มหัวใจเป็นก็เป็นตายก็ตายยังไงก็ไม่ถอยจะเอาให้ได้เราจะให้เป็นพระละหันในชาตินี้ว่างั้นเลยนะในหัวใจอยู่ของเป็นงั้นจะให้สิ้นทุกในชาตินี้เป็นอย่างอื่นไปมาได้กิเลสไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นเราไม่ตายกิเลสต้องตายซาดกันเลยจริงว่าไม่มีเวลาอ่อนข้อผมยิงว่าผมนางมากเก้าปี เขาไปติดคุกติดตารางนี่ผมสมัครไปเลยให้ก็ไปติดคุกติดตารางกินค่าวันละสองมื้อสามมื้อจักตอกเหลาตอกวันละห้าเส้นค่าเวลําเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเลยอันนี้มันไม่ได้ทํางนั้นทําด้วยความสมัครใจไม่กินก็ด้วยความสมัครใจอดอยากจนจะตายก็ด้วยความสมัครใจทํำง่ายๆก็ตามไม่ได้นอนก็ด้วยความสมัครใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสมัครใจทุกขนาดไหนเมื่อพอความพอใจมีแล้วมันพอทุกนะพอทนนั้นซัดกันซะจน พอลงจากเวทีแล้วที่นี่ลงมาวัดสุทาวา่าัะไม่ลืมนะปี2493เดือนนั้นจำได้แต่เดือนหกดับนและวันที่จำไม่ได้นั่นแหละที่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีชีวิต่ต่งผู้รู้ที่ไหนอยู่ที่นั่นก็ไปเกิดที่นั่นเวลาไปแก้กันก็นไปแก้ตกที่นั่น จุดต่อมก็คืออันนี้เองนั่นมันก็ไปรู้ตัวนั้นพอรู้เนี่ยอ๋อจุดต่อมคืออันนี้เอง อ, อวิชชาปัญญาตัวอศัศจรรย์อศัศจรัตฯมันหลอกโลกได้มีตัวนี้เองพอตัวนี้พังไปแล้วไม่เห็นตัวจุดต่อมตรงไหนวะหัน่นแล้วสิ่งที่อศัศจรัตฯเหนือ น, นั่นคืออะไรนั่นสิเอาไว้ชื่ว่าอวิชชานี่มันแหลมคมมากทอจอมกษัตริย์วัตจักรคืออวิชชายอดสมุทัยคืออวิชชายอดของมากคือมหาสติมหาปัญญารับกันได้ปึ๋งเลยเดียวไม่ไปไหนน่ะรับกันได้ปึ๋งที นี่เมื่อยอดของมรคคือมหาสีลปัญญาได้ม้วนเสือยอดสมุทรไทยคืออวิชาปัจญาสังการลงแล้วมันไม่ไมอีอะไรแล้วในโลกอนี้เองคําว่ากลับว่ากันไม่ต้องพูดไม่ได้คํานึ่งละ่ะคํานึงอะไรมันพอฟังแต่ว่าพออย่างเดียวเท่านั้นแล้วกี่กับกี่กันจึงจะมาเกิดมาตายอีกไม่ไม่ไม่ได้คํานึงพอเท่านั้นพอแล้วหานทีเดียววันนี้ผ่านเที่ยงมันเที่ยงอยู่ที่หัวใจนี่มันรู้อยู่ที่หัวใจนี่ ไม่ได้สงสัยที่หัวใจแล้วจะไม่สงสัยอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนลงที่นี่สอนลงที่นี่ธรรมะสดสดร้อนๆนะทิเลศสดสร้อนชั้นใดธรรมะก็สดสดร้อนๆอยู่ที่หัวใจด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าทิเลศมันเป็นมันเป็นเหมือนกันกับจอกแหนบปกคุมน้ําไว้น้ํามันอยู่ข้างล่างมันมองหาน้ำไม่เห็นกพรว่าน้าไม่มีไปเสียทั้งทั้งที่ทิเลศมันปกคุมไว้นั่นแหละมันมีอยู่ใต้น้ํามันมีอยู่ใต้จอกใต้แหนบนั่นเวลา เปิดจอกเปิดแล้วแล้วน้ํามันก็อยู่ที่ตรงนั้นนี้เวลาเปิดที้แล้วธรรมะมรรคนิพานก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงไหนไม่อยู่การสถานที่เวลาเวลาตรงนั้นตรงนี้นะอยู่ตรงนั้นนะมันเห็นจะชันลงไปจริงๆอย่าไปคิดถึงการสถานที่เวลาเวลามิแต่คนมายาของกิเล้หลอกคนไม่ให้ทําความเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะพูดอย่างนี้ผมเฉลิวดังเวทนะผมเคยถูกต้มมันมาได้เนี่ยพอถึงขั้นแก้กันตกนี่แก้ต ก, แ ก, ตกแก้ตกเลยผึงออกมาตกเลยตกเลย นี่มันก็เห็นอุบายมันออกมามันแหลมคมขนาดไหนนี่จริงสติปัญญายิ่งแหลมคมกว่านั้นพับเดียวขาดสะบันเลยครับเดียวขาดสะบัดนนี่จริงมันถึงเหนือกันอย่างนี้เมันถึงฆ่ากันได้ไม่เหนือฆ่าไม่ได้วะไม่มีอะไรจะตลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสที่มันครอบหัวใจโลกพระพุทเจ้าจริงละอาะไรที่ทอดพระทัยที่ในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกหรือจึงมาแยกออกแยกออก แยกแยกออกมาเอาดึงเอานั่นดึงเอานี่ได้แค่นี้ก็เอาได้แค่นั้นก็เอาเอายกภูเขาทั้งลูกไม่ได้ก็ไม่ต้องยกมันเออเอาหินก็ไหนที่เป็นประโยชน์เอาเอาไม้ชิ้นไหนเป็นประโยชน์เอาแร่ธาตุชนีดไหนมันควรจะเป็นประโยชน์แล้วเอาไปเอาไปเท่านั้นแ่ะไม่ได้เอาภูเขาทั้งโลกนี่ไม่ได้เอาสัตว์รังทั้งโลกหรอกสัตว์ทั้งโลกเหมือนภูเขาทั้งลูกอันไหนที่มันควรที่จะได้ก็ถอดเอาถอดเอาจย่งว่าปกติแต่อยู่วิปจิตแตอยู่ในญาตปัะญปรมะนั่นนั่นแหละปกติแตอยู่พวกนี้รวดเร็ว ที่จะรู้จะเห็นถ้าเป็นวัว ก, ก็อยู่ปากคลอกแล้วพอเปิดประตูนี่โดดผึ่งออกเลยโอก็จะยินดีวิบจิตตนอยู่ก็รองกันลงมาแน่รองกันลงมาเนยยะเนี่อพอถูกพอไถระหว่างประทะรับปรมะกับเนยยานี่ลบกันนพวกเรานี่พวกประทะรับปรมะกับพวกเนยยะนะมันมันลบกันอยู่เวลานี่ส่วนมากไปแพร่ประทับปรมะแล้วนะอประทับปรมะกเอาไปกินหมดอเนอยยะพอถูกพอไถมันเป็ น, ไ, นไปไ่้เนยยะแปลว่า พอนำไปได้พอนแนะนำสั่งสอนไปได้ถูถ่า ไ, ไปได้ได้ยครั้งหลายาลหนพอเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแปลออกไปอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันมีตั้งแต่ประทับปรมาที่ไม่เอาไหนเลยนี่มันลากคอลงไปต้มยำกินพวกเราแต่ภาวนาก็ให้กิเดลสต้มยำเสียจะทําอะไรก็ให้กิเด็สต้มยำต้มยำกิเด็ดเลยท้องจะแตกมันกินต้มยำของพระที่เกียจขี้คันถ้าไม่เอาไหนนี่ยหานเข้าใจหรือยังพวกเนี้ยเทศมาสอนมาตั้งแต่49ปีนี่นะ ผมก็หมดกาลังที่จะเทศแล้วอะไรก็หมดอะไรก็หมดแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละอาจจะตั้งหน้าต่งตางๆคุณปฏิบัติก็เอาสิแล้วอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เลิอดที่เลอที่สุด น, นั้นเนื้ขี้หมูลาที่หมาแห้งนี่มันเลิอดเลออะไรเดี๋ยวนี้มาขยี้ขยํากันกับที่มูลาขี้หมาแห้งที่พวกเราทองคําตั้งแท่งมันไม่ไปมองดูเลยมันมันมาจดจอ่อกันอยู่ตงแต่ บีูราขีม้าแห้งนี่แหละอทองคําทั้งแท่งมันไม่ไปดูนะอแต่กิเลสมันเดี๋ยวนี้กิเลสมันกำลังเป็นทองคํามันขย่าขยี้ขยี้ขยำกิเลสความโลภก็เก่งความโกรธก็เก่งราคะตัณหาก็เก่งมีตังแต่ทองคําทั้งแทง่งทั้งแ ท, งท่งเท่านั้นนะกิเลสมันหลอกสัตว์โลกทองคํำจริงๆมันเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเพราะงั้นเราถึงได้พูดถึงนึงวิตกวิจารณ์กับศาสนาชาวพุทธทั้งเราเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่วงราชการ เป็นผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งห่างเหนินจากศีลจากธรรมก็ยิ่งเด๋ยวแหลกแหวกแนวไปเรื่อยๆนี่ไม่ทราบผู้น้อยจะยืดไข่ใใเป็นหลักคําว่าผ้ากับผ้าผู้ใหญ่เท่าไรก็ยิ่งทําตัวให้เละลงไปเละลงไปแล้วใครจะได้หลักจากใครละค่ะก็เมื่อมันใหญ่เท่าไรยิ่งเหลวแหลกมากเข้าไปมากเข้าไปอย่างนั้นมันไม่มีที่เกาะ ท, ที่ติดนี่จะทํอย่างไรนี่หน่าทุเรศ น, นะเวียวนตาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงโลกมากสงสารโลกมากนะมันเป็นอย่างไรหัวใจเนี่ยท่วมทน ล้นฟ้าล้นแผ่นดินเลยอำนาจน่งความเมตตาเนี่ยอ๋อพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนด้วยความเมตตาล้วนๆไม่มีโลกาบิดอะไรเข้าเจือปนเลยมันรู้ชัดนเอรู้ชัดในหัวใจของเราซึ่งตัวเท่าหนูนี่ยมันรู้มันไม่ได้หวังอะไรในโลกอันี้ไปไหนมาไหนไม่เคยหวังอะไรละห ว, วังแต่หัวใจโลกเท่านั้นสงฆ์เขาต้องหาไปตามกําลังความสามารถของเราเราวตัวเราเองเราไม่ได้หวังแล้วพอทุกอย่างก็บอกว่าพอ มันพออย่างนี้ประจำอย่างไรบ้างไงพอเป็นนันตการนิพพานเที่ยงจะผิดไปไหนมืึงหัวใจมันพอแล้วนิพพานเที่ยงแนะล้วเฮ่อเอละเหนื่อยแล้วเทส อ, อันนี้เทสกี่นาทีปะเทสไปเช่นมาแล้วไปใหญ่กนะารภาวนาเ น, นี่ยเรื่องสตินี่นะผมได้พูดแล้วพูดเอาไม่ว่ากันไหนไม่เคยลดนลนะนเรื่องสตินะ เพราะเราเห็นคุณค่าของสติอันดับที่สองก็คือปัญญาประจําความเพียรทั้งวันไม่ให้เผลอให้มีสติดีอย่างมันตลอดเราเคยทํามาแล้วนี่เมื่อก่อนก็ว่าจริงจังอยู่ก็ยังว่าจริงจังเมื่อมันยังจับหลักไม่ได้ตอนที่ว่ามันปล่อยแล้ทุกอย่าง คืออะไรมันก็เสื่อมแล้วไงมันก็เสื่อมแต่ําให้มันเจริญเลยมันก็เสื่อมมันต่อหน้าต่อตายที่ี่ไม่เอาแล้วอะไรจะเสื่อมก็เสื่อมไปอะไรเจริญก็เจริญไปแล้วเจ้าจะพุดโธคําเดียวทีนี้จะไม่ปล่อยพุทโธเลยปากขีดปุ๊บใส่พุทโธเลยนั่นระดัตั้งแต่ขนาดนั้นมาพุดโธจะเผลอไปไม่ได้นะที่นี่นะท่านดูที่ไหนมีจะพุทโธมีจะพุดโธ ปฏิบัติปฏิบัติว่าอะไรอะไรกระดิกคลิกแคลงว่าไรนี้พุโทโธเจ้าเผือไม่ได้เลยเอาเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเสื่องก็เสื่องเจริญก็จเจริญไม่อะไรเสียดายกับอะไรแล้วจะเอาจต่พุโทโธพุทโธนี่เมื่อสักสติยังมีอยู่แล้วพุโทโธกับพุทส ต, ต, ต, ออตินี้จะต้องอยู่ด้วยกันนี่เราเห็นคุณค่าของสตินะมาทำคมเพียนไม่มีสติส ต, ตังคําว่าพุโทโธหรือคําบริกรรม ถ้ามันไม่ไม่รักก็ต้องเอาคำบริกรรมเขากากับเรื่องทำมันติดเนีน้ต้องสงบได้จิตน่ะนี่สงบได้เมื่อปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความเสื่อมความเสื่อมของจิตเราก็เพราะอะไรตายอยากแล้วเพาหวังมันมาพอเราทุกเพระความเสื่อมของจิตนี้มาปีจนเต็มแล้วจนปักลึกเนะไม่ลืมจนถึงขนาดที่ว่าต่อไปนี้จะเสื่อมไปไม่ไดถ้าเสื่อมเราต้องตายเท่านั้นเหรอ ขนาดนั่นนะมันเข็ดบอก่านจึงปักเข้ากับพุทโธเอาเลยสติอยู่กลำนั้นต้องวันต้องขืนอยู่ตื่นขึ้นมาพูทโธแล้วไม่เผลอบินกระบะเหมือนเลยนังกลมไปเลยจิตแนวก็เจึงกลายเป็นสัมปัติชันยะพุทโธมีเวลาแล้วยังพอน่ะนะปฏิกรรมไม่ได้นะ เนี่ยมันเห็นจุดประจสงค์ของเวลาพุทโธกับกจิตโค้งกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนี่คําว่าพุทโธนี่ไม่ปรากฏนึกเท่าไหร่ก็ไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ล้วนๆล้วนๆล้วนๆเฮะยที่นี่พุทโธไม่มีแล้วทําไงแล้วก่อนแล้วเกาะพุทโธเกาะพุทโธคำบริตรรมพุทโธพุทโธ ท, ที่นี่คำบริกรรมนี่ไม่มีแล้วทําไงเหลือจะรู้เอาคำว่าในท้ายมันอยู่กับรูนี้วะ พอถอยจากรู้เพราขยับพุทโธได้เมื่อไรจะเอาพุทโธมันก็ได้จังหวะมันมันอยู่มันมันพอได้จังหวะมันขยับถอยออกมาปั๊บพุทโธใส่ปั๊บเลยให้มันถึงจะอยู่นะมันถึงไม่เสื่อมแต่ยังไงมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, นถึงขั้นควรจะเสือ่อมเอาเสื่อมกเส่อมไปเราเคยหึงเคยห่วงม า, มาพอแล้วเราจะเป็นจะตายเพราะ ความหึวงมันอะไทีนี้ไม่หวงเอ้าเสื่อมไปแล้วก็เสื่อมไปเสถออะแต่ผู้ทูลก็ไม่ปล่อยอยู่อย่างนั้นถ้ามันถึงเวลาที่มันจะเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมมาถึงเนี่ยนี้อะทีมันเคยเสื่อมมันรู่นี่นะพอมาถึงนั้นแล้วอยู่ได้สองสามวันถ้เสื่อมกูปูดลงไปเออสื่อมตาหน้าตาจางอะบางครั้งไม่ได้นอนเลย ก็เชอมมันก็เสื่อมต่อหน้านต่อตาเราไปจนได้ครนี้จึงเอาไม่เอาได้เอาพุโทโธเชื่อมมาเสื่อมท่ามันถ้าถึงขั้นนั้นที่ควรจะเสื่อมที่ไม่เสื่อมนะเยื่อยเยื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรี่ยเข้าไปเออไอ้นี่ซับจะเน่ใจแต่ไม่ค่อยแน่ใจกับมานนักละ่ะเพราะมันเคยดับสันดามลราฝอแล้วจนเป็นแน่ใจเอาตอนน้น ตอนไปงานไปรับพ่อแม่หูจันมันไปผาจบหลวงปู่เสามาจ้าวัดข้าขนมมาทีนี้ทุ่มเลยหมดภาระทุกอย่างแล้วที่นี้เราจะทุ่มเลยทีนี้ว่าฟาดนั่งถามรุงถามคั่มสิมันถึงได้มาได้ความแน่นอนตรงนี้ที่นี่แน่รู้ประจักษ์มันเหมือนกับอะไร เ, เหมือนกับเป็นงา ม, มอย่างนี้นะ มันมันปีงขึ้นไปเนี่ยปีงขึ้นไปหยุดปีงขึ้นไปมันหยุดตกปีงขึ้นไปพอจะเกาะนี้หลุดตกบนเวลามันจะไม่เสื่อมเพราะหยขึ้นไปปั๊บลงตึกตรงนี้เออที่นี่มัเสื่อมนั่นมันรู้ครั้งนี้มัเสื่อมเทถึงยังไงก็ตามความเสื่อมนี้ไม่จืดจางเลยนะอืมันก็ฟาดกันย่งนั้นหรอทั้งทั้งที่ก็แน่ใจวันนันเสื่อมแต่มันก็ไม่ถอยเรื่องความระวัง นตอนนั่งหามมุ่งถามคำได้คืนแรกนี่ครผมได้ได้หลักเกณฑคืนแรกเลยพอตื่นเช้าขึ้นมาก็หาพระแม่หัวจางโอ้ท่านคงจะเห็นที่ยามาญาโอ้บ้านมันขึ้นไปที่นี่มาอ่ะเพราะที่ยาทั้งนั้นไม่เคยใช้กับท่านนี่ที่ยาธรรมต์เยียบๆเราระหว่างครูวาจาร์กับลูกศิษย์แต่วันมันเป็นมันเป็นเองนะพลังใจนะ มันคึกคักเข้ามันี่โหขึงขึงขึงขึงเลยนะมันพิจารณายังไงมันรู้ยังไงมันเห็นยังไงมันเห็นในตัวใจจริงนี่ยมันก็อาถรรพ์แลี่สิท่านก็นั่งฟังเงียบเราก็ขึงขึงขึงพอจบแล้วก็หมอฟังกันมันต้องยังนั้นที่ขึ้นเลยทัานสิอ้าวอาตภาพเยอะเนี่มันไม่แตกถึงห้าแล้วมันแตกขนเยอะเอาที่นี่ได้หลักแล้วเอาฟาดมันลงไปหรือเปล่าท่านฟาดลงไปโอ้ทานนี่เหมือนกับหมาตัวหนึ่ง พอัอ่านยุทั้งหลายทั้งจะตัดทั้งจะเหา่าเป็นสองคืนสองคืนฟาดกันเว้นสองคืนสองคืนฟาดกันอืแต่มันสําคัญที่ว่าคืนไหนก็คืนนั้นเลยไม่มีพาดเป็นตัวอย่งว่าได้ชา้ากับเร็วบางคืนตั้งหกทุ่มเจ็ดตีหนึ่งตีสองมันถึงลงได้ก็มีนะมีแต่ลงได้ลงของอเดินอศัศจรรย์นั้นได้ทุกคืน เปนอยู่ว่าช uh. ้ากับเร็วบางคืนนี้ยังไม่สามสี่ชั่วโมงอะไรนะมันเกาะติดปั๊บติดป um ั us, ha ha ๊บติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บตับพุ่งเลยติดปั๊บติดปั๊บพุ่งเลยถ้าคืนอย่างนั้นถึงจะเวลาเท่ากันก็ตามนะเรานั่งจนกระตั้งตลอดรุ่งอยู่นะเวลาเท่ากันก็ตามไม่ได้เหนื่อยนะไม่ได้เจ็บปวดกตามอวัยวะต่างๆนะเนี่ยมันอยู่กับจิตน้า ถ้าวันไหนมันบอกช้ามากคือจีบมันไม่ลงเลยนมันฟัดจนเต็มเหนียวจนเราจะเป็นจะตายนี่วันนั้นน่นอนนี่โหจนสะดุ้งนะทั้งวี่ทั้งวันนอนนี่สะดุ้งมันปวดมัดในตัวของเราไม่มาอยู่กับสะดุ้งอยู่นะมันอยู่กับจะเอาให้ได้มันหนักเลยได้ทุกคืนมันมีฟาดหึงเ้าคืนสิบคืนนองผมนั่งอยู่นั่งตลอดรุ่มนะ เว้นสองคืนบางสามคืนบางบางทีถึงเจ็ดคืนก็มีเวน้นแต่เว้นเช่น้รก็ตามแต่เวลาเอาได้เลยเพราะจิตของเรามันเป็นเหมือนหินหักนี่นะเอามาต่อทำไม่ได้ถ้าลงได้หักปุ๊บลงไปแล้วต่อกันไม่ได้แล้วว่าราอดยังไงเอาอย่างนั้นหนาเพ ม, มันต่อแต่มันมีข้อแม่ไม่ได้เลยผมนิสัยผมมันเป็นย่างไงมันเด็กมากอยู่พูดถึงเรื่องเด็กนี่เด็กมากได้ทุกคืน นั่งเวลาเท่ากันก็ตามถ้าคืนไหนเราบอกช้ำมากจิดลงนั้ยากวันนั้นจะบอกช้ำร่างกายมากที่สุดเลยถ้าวันไห น, นจิดลงนั้นง่ายแล้ววันนั้นพอลุกขึ้นไปเลยถ้าถ้าวันไหนมันบอกช้ำมากๆนี่ลุกไม่ได้นะถ้า ล, ลุกจะต้องจะจับขาดึงออกซะก่อนมันตายแล้วนี่จับขานี่ดึงออกขานึ่ออกก็ลูรนก็ะทั่งมันค่อยเือดลงมันค่อยเดิ น, ดนก็เดินแล้วก็ดึก เท้าดูก็หยิกดูกด็ดูแล้วาคู่ดูเหยียดดูสักอะไรลูกได้ไปได้ผมผมเคยล้มแล้วเนี่ยพราะมันตายหมดแล้วเนี่ยมันไม่เจ็บอะไรนี่เนี่ยมันไปเลยเถิดมันพอแล้วพอถึงเวลาลูกก็ลุกล้มหงายเลยหงายแล้วลูกไม่ขึ้นอ้าทําให้เปน็นอย่างนี้ทีนี่นั่นคืนแรกนะลุกไม่ขึ้นเลยล้มทั้งหงายแถนอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่กระดิกกระดิกอะไรมันตายหมดแล้วพอรู้นั่นก็เป็นบทเรียนข้าหลัง พอวันไหนมันลาบากม า, มากๆแล้ววันนี้เอาอะไรหน้าว่ะพ <Yeah. S 1> อถึงเวลาแล้วก็จะจับขาดึงออกจับขานี้ดึงออกจขานี้ดึงออกขาหนี้ไม่เป็นไรเนี่ยส่วนนี้ลงไปเนี่ยข mm hmm. ้าวผมหนังมากจริงนะถึงเวลาทุ่มเทให้หมู่เพื่อนฟังนี่เรื่องสารชีวิตกับธรรมเนี่ยผมผมหนักมากจริงค่ากิเลเนี่ย ไม่มีงานอะไรที่จะหนักมากยิ่งกว่งานฆ่ากิเลสว่ายางนั้นเลยใครจะเก่งขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่ขึ้นเวทีต่อกรอกับกิเลสซะก่ อ, กอนอย่ามาคุยนะว่ า, างั้นเลยเพราะเรามันเคยฟัดมาพอแล้วน่ะจดจนจะเป็นจ ต, ตาย ก, กับด้วยกันจริงจริงมันสําคัญที่จิตนั้นไม่ถอยนี่นะจิตมันเด็กนี่นะเพราะฉะนั้นมันถึงทําได้ทุกแบบย้อนหลังพิจารณาย้อนหลังตุวรรณนี่โอ้โหอย่างนั้นมันก็ทําได้อย่างนั้นมันก็ทําได้นะ คิดย้อนหลังนะคืออย่างทุกวันนี้ทําก็ตายนี่จะทําอย่างนั้นมันไม่ได้ถ้าขันมันก็ไม่อํานวยความมุ่งความหลังความอะไรอย่างนี้มันก็ไม่มีความมุ่งมั่นอะไรก็ไม่มีความอยากไปสวรรค์นิพพานอะไรมันก็ไม่มีว่าหงกลงนี่เลยมันไม่ยากมันก็บอกไว้ไม่อยากสิแต่ก่อนมันเต็มหัวใจเนี่ยเมื่อมันถึงพุ่งพุ่งเลยเวลามันผ่านไปได้แล้วถึงได้มาพิจารณาถึงโลกสงสารโอ้โหโอ้โหเหล่าน ใครจะไปได้เป็นขนาดนี้แล้วใครจะไปได้คิดอโทอัทังละอย่างว่าสุดท้ายกันถอดอรงนั้นเอาถอดตรงนี้เอาแต่ห้อมันหามันแน่นอยู่นมองกลมายาวจิเร็นี่หมดทั้งตัวเลยนะแย็คบอกตรงไหนมีจะเรื่องของคงมายาวจีเล็ดหลอกทำหลอกทำกั้นทำขีดขวางทำทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเราไม่เห็น เราไม่รู้มาบ่อถึงขั้นที่รู้เนี่ยมันทันกันหมดมันออกแงไหนมุมใดนี้ทันหมดทันหมดค่าได้หมดค่าได้หมดถึงในรู้ว่าพุทโธยิเดียดในขนาดนี้เที่ยวเหลือแต่ถ้าไม่เหนือข้าไม่ได้นะมันต้องเหนือกันถึงขั้นมาตีมหาปัญญานะ่ะที่ว่าเพียงไกลที่สุดเลยคือกล้าหารมากอยากพบกับยิเลีเอาตัวไดมาให้ม า, มามเวลาอยากพบมัน มันเป็นขั้นของมหาสีมหาปัญญาไม่มีถอยมีแจะเจ้าม้วนเสือทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเลยทําว่ากลัวกิเลสไม่มีเลยมันกล้าหานชาญใช่ขนาดนั้นถึงขั้นกล้าหานก้าหานจรงิงๆพุ่งพุ่งพุ่งแล้วกิเลสก็ขาดสะบั้นจังโดดรวดเร็วจ้วนะสมกับสติปัญญาขั้นนี้จริงๆนี่น่ะจริงมาแรงดูที่หมู่เพื่อนทําความภาคกควาเพียงงู ง, ง้างๆมๆต้มๆเตรี้ยๆโอ้ยพอเห็นนี้เองเหมือนควายตัวเนืงอเนี่ย มันคิดไปแล้วนะเหมือนควายตัวหนึ่งเลยแล้วเราอยู่ในขั้นควายเราก็อยู่เนี่ยเราเคยอยู่มาแล้วเนี่ยขั้นควายตัวนึงเราเคยอยู่ขั้นควายบ้างคนบ้างเคยอยู่ขั้นถึงคนแล้วเอาแล้วถึงขั้นถึงนักลบแล้วที่นี้ยิ่งปลายใหญ่ว่าลงขาดสะบั้นไปเลยวันนี้เหนื่อยมากผมเหนื่อยตลอดวัน แต่ก็มาตอนเยนนี้พอทนได้ก็ไม่เหนื่อยมากนะฉันอย่างนั้นพอได้บางสามวันพอได้บ้างฉันอย่างนั้นหมู่เพื่อนจะมาถือสีถือสาผมนะจะมาเป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้แล้วผมทำตามธาตุทำกันของผมตอนนั้นแล้วดูพออะไรมาผมก็จะฉันของผมใช่ฉันฉันยนั้นจะเอาอย่างนี้มันถือเป็นแบบเร็วนะมันถือเร็วนะถ้ายังงจำจำยังดูไม่ได้นี่มันชอบนะ พ่านชอบมากเป็นเรื่องอ่อนและเร็วอีกดังนั้นพระแม่ครูอาจารย์ท่านถึงฟิตยอยู่เรื่อยเรื่อยเราเล็งเห็นหมดเรื่องของท่านอ๋อท่านเป็นยังไงข้ออย่างท่านเม่รู้มันมาดนเราเข้ามันก็รู้นี่มันก็ปล่อยตามเรื่องมันมองดูอะไรมันพอฉันก็ดูดูดูแล้วฉันไปแล้วจะไปรอหมู่เพื่อนอีกอันก็เสียไปอีกท้งหนึ่งนี้นะ มันมีส่วนได้ส่วนเสียขงมันอยู่จะไปล้อมู่พวนอยู่นี่อันไหนควรที่จะฉันมันก็ไม่ฉันแล้วต่อไปธาตุมันก็มันก็คลายตัวของมันไปซงมันก็เลยฉันไม่ได้อีกเลเนี่ยอันไหนที่มันพอทันกันแล้วก็เอาซะจะฉีดฉันแล้วก็หยิบฉันซะฉันซะฉันซะเวลามันกําลังร้อนๆกําลันมันทันกันอยู่นั่นะธาตุขันกับอันนี้มันรับกันอยู่นั่นเอาซะตอนนั้นถ้าเวลามันปล่อยแล้วไม่ได้นะนี่เราทําเราทําพอเห็นนี้เอง มูเพื่อนยังมีมา เ, าเป็นกติตัวอย่างอย่างนี้ว่ากติบ้ากนตนินรกอะไรกี่อันกี้กาเท่าไหร่แล้วกลาบละเลิกกันแล้วเลิกกันแล้ว